ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทเอรอีสาน ร, ร่วมใจโลนรงรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่หมีนาคมสองพรอยอมทรอีสานจัดโครงการมทรอีสานร่วมใจโยร น, นรงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดโดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามท ร, รอีสานณหอประชุมวัฒ น, นูณถลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมีการจัดขบวนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งณพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาและ ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามสิทธิ์และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในประเทศซึ่งการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสําคัญเพราะอนาคตของประเทศอยู่ในมือของชาวไทยทุกคนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่มาร่วมกันชี้ชะตาประเทศไทยในวันที่24มีนาคมนี้ จิสุภาประหาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มโทรยสารรายงานการไฟฟ้านครหลวงลุยเดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาพระรามเก้าเสริมทัศนียภาพมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาทนายราเชนพริชพงพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอ เปิดเผยว่ากรอฟอนอจะดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนรัชดาพิเศษบริเวณแยกถนนลาดพร้าวถึงถนนพระรามเก้าและถนนเชื่อมต่อ รวมระยะทางการดําเนินงาน2ฝั่งถนน 14.3 กิโลเมตรมูลค่าสัญญาโครงการกว่า2000ล้านบาทมีกําหนดแล้วเสร็จภายในปี2564ซึ่งการดําเนินงานครั้งนี้จะช่วยสร้างความเพียงพอและมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นพร้อมรองรับการดําเนินธุรกิจของหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ในอนาคตและทําให้พื้นที่โดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงามมีความปลอดภยัยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยวในคลาวเดียวกัน อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดของกฟนได้ดำเนินการรวมระยะทาง2องรกิโลเมตรโดยมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตรโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตรและโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง 114.9 กกิโลเมตร รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อั d เด e ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี